เวลามันหลงรู้อย่างนี้ยก็มีงานอย่างนี้ยเราก็ทํางานแบบนี้ไม่ใช่มันฟรีเราทําอย่างนี้มันทุกข์ก็รู้มันปวดมันเมื่อยก็รู้อาอยยอุปจนาเห็นกายเห็นแล้วก็เห็นแจ้งจนเห็นกายสรัทธากายไม่ใช่สะดุกคนตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันเจ็บมันปวดมันศักว่าเวทนา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 โงขาจันทกุบนี่ดำดไม่สวยโจนสวยกว่าเกิดความรักโจนนันทีแทนที่จะยื่นดาบให้จันทกุบยื่นดาบให้โจนเหรอโจนก็ดาบฟันจันทกุลบตายเลยเอาลาก็เสนอตัวเป็นเมียโจนโจนม้งก็ด่าออยชาติหมาตั้งแต่สามี์มึงฆ่าได้กูจะเอามึงทำไม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 แม่เข้าไปสงกองน้อยๆคิดว่าตัวเองจะกินไม่อิ่มโตรทั้งที่ไม่กินข้าวก็ไม่ยี่มแล้วเวลาหิวอะไรก็เป็นช่างเท่าหมาเนี่ยผมโกรกเหมือนกันเวลากรอกรอข้าน้อยหิวก็โกรธแม่ก็บอกให้กินอิ่มอยู่อิ่มอยู่ลูกเอ้ยบุกก็โกรธ ท ำ, ำงานเหนื่อยก่องเข้ามอจงหน้หย อ, นอยๆไวาจะอิ่มโกรธด้วยความโกรธเอาแอบน้อยตีแม่ตายเลยตอนแม่ตายมาจิขา้ข้าวข้าวไม่หมดเลยอิย่มแล้วเสียใจจะเอาแม่คืนก็ไม่คืนแล้วเวลาก็เจะาสามีคืนก็ไม่ได้แล้วตายไปแล้วนี่ทําตามความรักทําตามความโกรธมาขนาดนั้น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 ตาก็หาอาทางหนึ่งหูก็ห า, หาทางหนึ่งจมูกก็ไปทางหนึ่งลิ้นก็ไปทางหนึ่งกายก็ไปทางหนึ่งใจก็ไปทางหนึ่งเราต้องหาป้อนมันสอกสอกสอกเหมือนนกเหมือนสัตวชนิดมาผูกใส่กันต่อเหมือนงูงูเหมือน น, นกจมูกเหมือนจระเข้กายเหมือนจระเกแดนบ้าน จำไว้ได้ภาษาคาพูดนกก็บินขึ้นฟ้าจเจร่เคยก็ลงน้ำโอตาเหมือนงูหูเหมือนนกงูก็จะเข้าจอมปลวกจะนกบ้านก็จะวิ่งเข้าบ้านนกป่าก็วิ่งออกป่าใจเหมือนลิงแต่ดิ่งไม่เป็นหลอกแหลกหลอกแหลกจัดกชนิดอะไรมีกำลังก็ดึงกันไป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 อย่าคิดว่ามักผลนิพานมันไกลเกินไปอยู่ในลมหายใจเรานี้เย็นได้นเตาหลอมเหล็กเราไหนที่มันร้อนเย็นใจใจมันต้องไม่เป็นอะไรอย่าเอาอะไรมาต่อรองจิตใจหัดให้เป็นใจต้องปกติเข้าถึงความปกติอยู่เสมออยู่ที่ไหนก็ปกติไม่ใช่อยู่กับสิ่งแวดล้อมมักผลนิพานอย่างดอ ก, กุฏะธรธรม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 ผลที่เกียมลองอย่างที่เราสวดมนต์สวดขอทองเป็นวิเทยาาสโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลสติขามีมร์สติขามีผลอนาคามร์อนาคามีผลอนันตมร์อนันตตผลผู้แห่งบุรุษสี่ผู่นักเหลียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเรามร์สี่ผลสี่เรเปลี่ยนร้ายเป็นดีเว่านิพพานเย็นไปแล้วหยุดไปแล้ว เขาอยู่กับเราทุกชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้มันจะไปตายแล้วมันจะได้อย่างไงนิพพานปัจโจโหตุอนาคาเตกาเล่ห้อให้ได้นิพพานนนาคตการเบ้่งหน้านุนเถิดไก่เปนไหเนาะเปิ่งหน้านี่ขี่ภพกี่ชาติอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่ใกล้ใกลเนี่ยอนาคาเตกาเล่มักสี่ฝนสี่เปลี่ยนร้ายเป็นดี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 มันสงบก็เห็นมันไม่สงบก็เห็นมันสูด ก, ก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นเป็นผู้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเป็นผู้สุขเป็นทุกข์ไม่ถูกนี่คือหลักของการปฏิบัติเป็นนับกระวิถีที่ดำเนินไปผ่านได้ตลอดถ้าเป็นเราหยุดแล้วเป็นสุข ก, ก็หยุดแล้วเป็นทุกข์ก็หยุดแล้วไปไม่ถึงไหนไม่ยังไขขุนเจยอย่าโสดยไม่หลุดเลยถ้าเห็นเราโอ้ไป้นไปแล้ว ถึงขววมไม่เป็นอารามชีวิตของเราจึงมีแต่การกระทำที่ทำได้ด้วยใจหมายสมใจนึกสตินี่แจ้วสารพัดนึกสติเนียเป็นแจ้วสารพัดนึกทำได้จริงๆงสติเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยส่วนตัวส่วนตัว